ในตอนมรลุมรคผลของพระวิปัสสนาญาณิกเป็นดังนี้จิตเจริญวิปัสสนาขึ้นวิปัสสนาวิถีจนถึงสังขารู้เบขาญาณซึ่งเป็นวิปัสสนาญาณข้อที่8แล้วจิตก็ตกภวังแล้วขึ้นสู่มรควิถีถึงตรงนี้มีแยกเป็นสองแบบมรควิถีแบบแรกเมื่อมีการคำนึงอารมณ์ใหม่ทางมโนทวารที่เรียกเป็นศัพท์ว่ามโนทวาราวัชณะแล้ว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 ก็มีชวนาจิตเกิดขึ้นเจขณะเช่นกันแต่แบบนี้ขณะจิตแรกข้ามบริกรรมภาวนาไปเข้าอุปจารสมาธิเลยแล้วเกิดสัจจานุโลมิกยายนหนึ่งขณะแล้วเป็นโคตรปูยานหนึ่งขณะจากนั้นก็เข้าสู่มรกะจิตหนึ่งขณะและเข้าปลจิตสขณะแล้วจิตก็ตกภวังส่วนลำดับจิตของสมถะญานิกอาจแสดงคร่าวๆได้ดังนี้หมายเหตุ กรุณาดูแผนภูมิที่9ก้าทับสองประกอบด้วยแผนภูมินี้อ่านได้ดังนี้ลำดับกระบวนการทำงานของจิตในตอนบรรลุมรรคผลของพระสมถียานิกเป็นดังนี้จิตออกจากภวังขึ้นสู่ชาณวิถีแล้วตกภวังแล้วขึ้นวิปัสนาวิถีแล้วตกภวังแล้วขึ้นมรรควิถีแล้วตกภวังตอนมรรควิถีมีกระบวนการเหมือนพระวิปัสนาญาิก